ออกมาแน่ ค, คือโบทสววิธีนะครับคือซื้อบทสววิธีหน้าหนึ่งเล้ะเจ็ดจุสามทีนขึ้นโพชนะวัดสิขาบทที่สองครับ <c oughs> ต้องอา่านบทปาจิตตีน <ะ S 1> ในข้อการฉันงคณะโพชนะที่สูดตั้งแต่สี่สรูปขึ้นไปเราที่ม น, มนโดยเขาออกชื่อโพชนะไว้แล้วไปรับพร้อมกัน นอกจากมีสมัยที่สมบูรคำที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นคือคราวที่อาพาคราวที่ถวายจีวรช่วงที่ยังมีอนิสงส์พรรษาหรือกรถินอยู่คราวที่ทำจีวรคราวที่เดินทางไกลคราวที่ไปทางเรือคราวที่มีพิสุมามากอาหารไม่พอฉันคราวที่เป็นพันของสมณะ นั่งว น, นอกศาสนานี้เป็นสมัยในเรื่องนั้นนะครับอันนี้เกจ๊ขนะโพช น, นะครับ <c oughs> ถ้ า, าอิสระเก่จาจะคุ้นเคยแล้นะโคชนะวา่างผมไปพูด่างเานสมนาถถึงสองปีเลยครับที่ยวปรทังสองปีเลยนะเ็บโพช น, าานะพักครับอันนี้ขนะโพชนะเป็นยังไงอจาจรย์ก็อธิบายว่าที่สุดตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป รับนิมนต์โดยเขาเอาชื่อโคชนะนะครับข้าสุกขนมจุกครวมให้ปลาเนื้อใช่ไหยหรือข้าวชื่อว่านิมนต์ฉันพระตาเนี่ยมีคำว่าอย่างนี้เลยครับ เ, เพราบอกโคชนะก็ดีพระตาแหนก็ดีข้าวสุกก็ดีพวกนี้ยนะว่าปฏิดไดอย่างหรือออกชื่อพานออกชื่โคชนะอย่างนี้นะ่ะไม่ได้เขาบ อ, อกได้ไ น, นะอือพระแถวชาวบ้านก็บ อ, อกนะแล้วถ้าแต่สิริคุณไปเลบนิมนต์นะ แล้วก็ไปรับพร้อมกั น, นเอามาฉั น, นครับต้องนบับไปตีในศึกษาแบบนี้นะนครับเอานตรนรับประเทนนะคือประมาณเลยเดี๋ยวจะมียที่บาย น, นอันตรนรับเปเกนมัมนคือคัญเลยนอกจากสมัยที่สมควรแต่ก็มีสมัยที่สา ม, มารถฉันได้หลายสมัยเหมือนกันนะะเข้าศึกษาแบบนี้ไม่ได้เป็นรองกับพระเชษฐาคนเดียวนะครับเพราะอนุบัญญัติเนี่ยคระองก็เลยทําให้หยอมขึ้นนะ คือในความอาภาคนะครับป่วยนีอาภาคขนาดไหนก็คแค่ว่าเท้าแต่เนี่ยนะเดินปิดบาลไม่ได้ก็ถือว่าป่วยแล้วนะครับ <S <S <ม>ถ้าป่วยหนักคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ได้อยู่แล้วฉันได้ครั้ที่ถวาชจีวรก็หมายถึงช่วงอ า, น, านิสงส์พรรษาอานิสงส์ปฏิบัติอีจารย์ที่บายนะอานิสงส์พรรษาคือหนึ่งเดือนใช่ไหมครับเดือสุดท้ายของฤฝนอ่นะแต่อานิสงส์พรรษา แล้วก็สี่ดดเดือนของฤดูฤ ด, ด, ด, ดูไรครับสี่เดือนในฤดูฤดูฝนแล้ะฤดูไรครับฤดูหนาวสี่เดือนฤดูหนาวแล้วก็แรนี้สงกันทิ์นะครับ<ม>ก็รวมได้ห้าเดือนถ้าได้การกานทิพยใช่ไหมแล้วก็แอนิสงห้าเดือนนี้นะครับใครที่ทําจีวอใครทําจีวอนเนี่ยมันไม่มีนัยยะเวลาเ่พอะนะครับค <c oughs> ือเวลาไหนก็แล้วแต่น่ะที่วิศวิตจะทําจีวอขึ้นมาเนี่ยสมองจีวอนสมาธิร่างก็แล้วแต่นะ มีการช่วยกันทำจีวรนะคะรับทุลุบเป็นช่วยกันทำจีวรนะเป็นการต่างกาันแยกกันยอมแม้แต่สอยเข็มนะครับทุกขั้นตอนของกา ร, รนะทําจีวรนะทุลุบพี่ช่วยกันนะ่ะก็ถือว่าทําจีวรได้สมัยนี้นครับฉันได้คราเดินทางไกนะลเนี่ยในทางไกลคืออย่างน้อยกึ่งย่อ8กิโลเะคราบคําที่ไปทางเรือก็ได้ทางที่มีพี่สู่มามาอาหารไม่พอฉัน <c oughs> ถ้าบอกว่า ถือว่าครัแรกหาอยู่กลางศาู่อะไบิดบารพอฉันใช่ไหมพระที่สี่มาพบ๊รแล้วบิดบารนะเนี่ยอาหารไม่พอฉันแรกอันนี้นะก็ถือว่าคาที่มีมิสุมามากแล้วนะครับถ้าม่สู่มาเป็นร้อนเป็นพาละอาหารไม่พอฉันเนี่ยก็มัต้องพูดถึงเะมีฉันได้อยู่แล้วคุ้นได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คาที่เป็นพันของสมณนะนบวชนอกศาสนาเขาอาจเป็นนั่งบวชนอกศาสนาหรือในศาสนาขาแล้วแต่นะ ้าธรรมิทัง้งห้านะครับที่สเสมในหรือว่านมลโลกศาสนาก็แล้วแต่ต้องการจะมาถวายอานัอันนี้แล้วก็ฉันได้ข้ขอชี้พันธุ์ทเป็นลายชั้นไดน้นี่เป็นสมัยในเรื่องนั้นที่นี้ก็มานมีต้นไม้ใหญ่เลครับต้ออ่อะรอ๋ม่นช่พระเทาทัาพแต่ขึ้นยัน เอารมณ์ัรรยายมียเยอะเรื่องพระเทวทัตเราโดยสมัยนั้นคุณว่ า, าพระพุทธเจ้าปรทับอยู่หน้าพระเวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระจะทานเหยื่อไก่กแคนเต่เขียนพระนครราชพฤหัครั้งนั้นพระเทวทัตเสี่อมจากลาบแลสังการะพระ้อมด้วยบริสันต์เที่ยวขออาหารในแต่กุทั้งหลายมาฉัน ประชาชนเพ่งเท้าติดเต็มพุธนาว่าฉไนกระสมณะเชื้อสายพระศรบุตรจึงได้เที่ยวขออาหารแต่กุลท้หลายมาฉันเล่่โ่่าา่่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่พ่ออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ส่่่่่่่ เอาสำลักเก็ดข้าวนะห้าร้อยสามล่องแล้วก็มาถวายทุกวันเลยและก็มุงประทะมุนพระเทพาท่านนะทีนี้พ้าพเจ้าประเทวท่านก็เปทำชั่วหลายอย่างใช่ไหมท่านบอกเปาไปทำชั่วอะไรบ้างลแน่นอนพระเจ้าข้าศตัตรเน่ะปลงพระชนพระาาพระาชาทุจริตสายอดีตของเขาทรงให้ขมังนธนูนไปนะให้ปลงพระชนกุฎเจ้าแล้วก็ทำลมอถจุาบาาจนไม่กล้ที่กินศีลาลงมานะ อันนี้ท่านที่เขาทำการพวกนี้นะได้เป็นผู้รีล่างปกปิดชามาชามือเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะคร่าถ้าเทวนท่นนี้ก่าปกปิดนะแต่ว่าในเวลาที่พระเทวินทันเน่สั่งในความช้าน่ให้ปล่อยช้างทนาบายนะครับไปเพื่อไปธรรมะพเจ้าใชมครในกาางแสนแสงนั่นแหละได้เกิเดผลเผยขึ้นนะร้รเนี่ยเขาก็เลยถาาเอาใครทำหมือยิ น, นครับ มีคนพูดว่าพระธิดท่านปล่อยช้างไปเรื่องก็เลยเปอดโปงหมดเลยนะไม่ว่าไม่ใช่ปล่อยช้างอย่างเดียวนะแม้เรื่องที่เหลือการปกครองชวนพราชาการส่งนำนายขมขนูหรือทางวิจุบ่าเนี่ยพระธิดาท่านั้งนั้นที่เป็นคนทำนะครับชาวมันก็รู้กรรมชื่อของแกแล้วนะแต่ว่าพระธิดาท่านเป็นคนลามกครับ <c oughs> และเมื่อผู้ถามว่าปฏิะธิดาท่านได้ทํากรรมนี้ร่วมกับใคร ชาวเมืองกล่าวว่ากับพระจา้าเป็นศตรูในระดับนั้นชาวเมืองก็ลูกฮือขึ้น ค, ครับเกิดจารโจลเลยใช่ไหมระท้วงคงอย่ากะท้วงแน่นอนนะครับในข้อผู้ชนะเนาะพระราชาจึงเที่ยวสมคบจรผู้เป็นซิ่วหนาต่อพศาสนาเห็นปานนี้ิล่างครับพระราชาทรงสร้าบความกำเริบของชาวเมืองนะจึงทรงขับไล่าสายสองพระเทวทันไปเสีย ยังไม่ได้แน่ๆถ้ายังอยู่พระเทวทัตมันได้แน่นะครับเพราะชาวมนีกรเริพุ่งจุดประท้วจะอะไรที่นั้ น, นก็เลยขับพระเทวทัตออกไปและตั้งแต่นั้นมาทรงตักสํำลับ500สําห ร, รับเห็นพระเทวทัตเสียแล้วก็ไม่ได้ไปที่บนหุ่ของพระเทวทัตอีกเลยนะครับแม้ถ า, าว่้านุ่งอื่นก็ไม่สําคัญขา อ, อะไรอะไรที่จะถวายหรือพึงทำกับพระเทวทัตนั้นเพราะว่าพระเทวทัตเกรงผู้ที่เสื่อมจะน่าสักการๆๆะนะครับ แต่แกยังต้องการรักษาบริษัทว่าว้ยังมีพ่องพงออุ่ยังมีอะไรยก็เลยเดิเที่ยวขออหารแต่งคุณทั้งหลายมาฉันเพื่อรักษาบริษัทของตงนออาไวน้นะครับประชาชนก็เลยเพ่งเท่าตีมพัฒนาเป็นเรื่องนี้ขึ้นมานะท <c oughs> ีนี้พิสุทั้งหลายดีประชาชนยังพุ่งนั้นติดเตียนเพ่งตอดิเตีมพัฒนาอยู่เวลาที่ยังพุ่งมั่งน้อยสินโดดตักพุ่งเพ่งตอดิเตียนบฒนาแล้วก็ขาดคุณพระเจ้าทงสร้างครับผู้ทูตอก็ส่งสอบทางทรงติดเตียนพระเทวทัพ แล้วก็มายัางสุดขามเหมือนกาพมายัางครั้งแรกมีแค่นี้นะ ว, ว่าเป็นปังจิตตีในพ่อฉันเป็นหนึ่งไปเยี่ยม่าฉันเป็นหนึ่งนครับสมัยนั้นแหละ น, นก็มีเรื่องของยิสุอาพาเกิดขึ้นนะครับประชาชนมมนิมนต์พิสุทาา ท, สทั้งหลายผู้อาพาฉันพรทหารทีทั้งหลายพากันรังเกียจไม่รับนิมนต์ด้วยอ้งว่าการฉันเป็นหน่มือพาเจ้าทรงห้ามแล้วแล้วก็กลา่าวว่าเจ้าทรงทราบ ผู้หลัก็สองมีอยา่างแคพิสูจน์อภาภัพในฉันคณะโฉชนะได้สมัยต่อมาก็เป็นเลือดถวายจีวรประชาชนของเขาเข้าตกแต่งเข้าตาหารพร้อมในจีวรคือเขาตั้งใจว่าจะนิมนต์พระมาฉันนะแล้วก็ถวายจีวรทีนี้พระก็ไม่ไปฉันเพราะถือว่าพระเจ้าทรงห้ามการฉันเป็นหมู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อไปฉนในฐานวัเขาเนะี่ยเขาก็ไม่ถวายจีวรครับต้องไปฉันวัดเขาต่อ เมื่อเขาไม่ถวายจีวรนั้นจีวรจึงเกิดขึ้นแก่พิสุทโธหลายตัวเล็กน้อยเกิดไม่มากนะครับพุทก็เลยสองอย่างนะว่าในคราที่ถวายจีวรอ น, นี้ฉันเป็นหมื่งได้นะพระโคชนะต่อมาก็นะครับเออกเี่สมัยต่อมาประชาชนมวลพิสุททั้งหลายพูดช่วยกันทาจีวรฉันพระตาหางเขาคิดมีมวออกชื่อพานาฉันพระตาหางเลย เห็นว่าพี่สุขหลายเนี่ยช่วยกันทําจีวรใช่ไหมถ้าเราต้องไปเที่ยวบินธบัลจะเสียเวลาใช่ไหมครับนู่นเที่ยวินธบัลเราไม่ฉันไม่ยอมเลยแล้วก็ไปเยี่ยมไปทําจุ่มกันต่อจะได้เสร็จไวระบายถ้ตั้งใจอย่างเงี้นะนี่พี่สุหลายก็รังเกียจว่าพุทธเจ้าทรงแทบเปนฉันเป็นหนูแล้วท่านก็ไม่ไปฉันนะครับพุทธองค์ก็ท่งอนุบัญญัติเนั้นให้ฉันได้ในการทําจีวรสมัยต่อมาเนี่ยมีนะ ในคราวเดินทางไกลนะครับช่วงหลายครั้งเดินทางไกลไปกับประชาชนขานรับวิสุทธ์เหล่านั้นกําลังเดินทยยางดีๆนะก็ได้บอกกับประชาชนพวกนั้นว่าโป ร, รดรอสักครู่หนึ่งเถอดเจ้าพวกฉันจะเป็นวิถาบประชาชนพูกนั้นก็เลยกล่าวนิมนต์อย่างนี้ว่านิมนต์ฉันที่นี่แหละเจ้าคข้ า, าไม่รามิถาบให้มาเสีเวลามีต์ฉันที่นี่เลยช่วงหลายก็ลังเกียจนะครว่าพุทธเจ้าทรงห้ามรื่องฉันเป็นหนูนะ เราก็ต้นสอ ง, องวิญญาณเราะว่าในพาเดินทางกลางก็ใช้หนึงได้ต่อมาในคราวไปทางเรือสมัยต่อมาผู้นั้นโดยสารเรือไปกับประชาชนครั้งนั้นพิสุขผู้นั้นได้บอกประชาชนพูกนั้นว่าโปรดจอบในกรที่ฝัง่งเช่าคู่หนึ่งเถิดจ้าผู้ฉันเป็นวิญญาณประชาชนพู้นั้นกล่าวด้วยอย่างนี้ว่ า, านี่บ น, นฉันที่แหละเจ้าข้าท่านกำลังเกี่ยงเดิมนะมิตรเจ้าของห้างการฉันเป็นเหนือแล้วนะครับ แล้วก so ็การบระเจ้ารสงสารพิจารณาผู้ยากเนีในค่าวหรือสารเหลือไม่ยาฉันจะย่นได้สมัยต่อมาสมัยสุดท้ายนะสุดท้ายเนี่ยไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ในคาประชุมใหญ่ในคาประชุมใหญ่สมัยต่อมาพิจงหลายที่จำภาษในทิศทั้งหลายเพราะเป็นธรรมนิของพิจูตสมัยก่อนนะที่จำภาที่ต่างๆพอกวอร์เนาภษาแล้วนะครับก็จะเดินทางมาเพื่อ มาข้าขอความพระเจ้าสมัอไนก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายเนี่ยก็เดินทางมายังพระนครราชคื้นเพื่อเฝ้าเยี่ยมรัชญาเจ้าประชาชนเห็นวิสุผู้มาจากราชอาณาเขตต่างๆจินมลฉันภัต ฐ, ฐานท่านก็รำเกียร์ไม่รำมนหมอนด้วยอ้างว่าการฉเฉลิมรัชญาเจ้าสรงห้ามแล้วแล้วก็แจ้งพระเจ้าสงสาราบผู้นี้กอ็อย่างนะนะครับเป็นชุมใหญ่ฉันน่านะครับ เอาสุดท้ายเนี่ยข่าวพันของสมณะเรื่องนี้ก็เกิดมาจากนะพระยา ร, ร่วมสายโลหิตของพระเจ้าปิสารจอเรมเสนาหม่อมคราชนะครับพระยาของพระเจ้าปิสารนะซองผู้นวนอยู่ในสํานักอาชีวะพานั้นอาชีวกนั้นเข้าก่อพระเจ้าปิสาลจอเมเสนาหม่อมคณราชถึงพระราชสำนักขั้นแรกได้ถายล่วงพรมาอขอขอวาย่วพร อตาตมาภาพปัทนาจะทำปัจจา h า n เลี้ยงนักบวกที่ถีอร่างที่ต่างๆท้าเธอตามว่าพระกุจ้าพวรจะเริญถ้าพระกุณจ้านวดพิสูจน์สงเเม่มพระเจ้าเป็นบรมให้ฉันก่อนฉันจึงจัจัดทำถวายอย่างนั้นจึงอาชีพงนั้นส่งพูดไปในสนงพิสุลหลายอารัธนาว่าขอพิเทลหลายโจงรับพัะจา h a าของข้าพเจ้า ยางข้อนิมนตนี่นะสมัยก่อนขาตรตหเอาชื่อพานเลยนะครับเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เสี้ยวหลายก็ยกลองเกียนให้ฉันนะเพราะว่าพุจะเจ้าคนข้างกนันเป็นหมู่แล้วนะครับททก็ไม่รับจ้าชิวงนั้นก็เลยเข้าไปฟองพุทธเจ้าแล้วเ้าพุทธเจ้าเลยถึงพธสำนักขั้นแล้วได้รประหาราทูลปาสัยจำนวนพ่างเจ้าคั้นพาการปาสัยเพราะเวทเพืึกถึงกันไปแล้ว ได้ยินหน้าที่ควรเสุยข้างหนึ่งกล่าวคุว่าแม้ว่าโคดมคู่จเจริญก็เป็นบรรพชิตแม้ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตบรรพชิตควรรับอาหารของบรรพชิตขอว่าโคดมคู่จเจริญจะลบข้าต่อาหารของข้าพเจ้าเพื่อสวยในวันพรุ่งนี้เพราอมด้วยสุสุขสองถุงพรเจ้ า, าข้าบบพระเวทข่าวพรเจ้าอะไรนะพระโลกก็ส่งเรื่อนิมนต์ด้วยอาการผู้นิ่งนะครับและชวงศ์นั้นนละพระองค์ก็ นี่นักสองอยากครับเป็นภาพบรรยัญญณนะครั้งที่เจ็ดนะครับว่าดูก่อนีิสุท์ทั้งหลายในควาวพันธ์ของสมณะเราเิี่าให้ฉันเป็น่ได้ใกล้มาเป็นสิด ข, ขาบุนิเต็มเต็มที่เราว่าไปเรื่องรับสิ่งีเ้เรื่องยาดีแต่ว่าเรามาดูดูคงอธิบายครั ชนะสิกขาบทตรเพื่อสร้างวิจัยในสิกขาบทที่สองต่อไปคําว่าชนะโพชเนคือฉันเป็นหก็ในสิกขาบุตรนี้คาว่าชนะหมายถึงพิสุทสี่รูปนะครับอันนี้หรือก่อนกว่านั้นอธิบายว่าเพราะการฉันโพชนะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีข้าวสุกเป็นต้นที่ได้แล้วจากการนิมนต์หรือจากการขอให้พิสุลลานั้น ดีโพสชนะห้าเนี่ยขั้นใจที่ไว้ในสิกขาบข้างหน้านะมันคืออะไรบ้าง น, นะครับข้าสุกขมสุกขมแห้งปานนี้นั่นคือขั้นใจที่ไวยครับข้างหน้านั้นในปอนสิกขาบทนีพมผู้รุนรไปกอนซึ่งนชนะโปรชนะเนี่ยมันได้มาจากสองอย่างนะได้มาจากการนิมนต์หายุกนิมนต์นะครับหรือจากการที่ผู้สุบไปขอเขานะ้นนี่ยก็ได้แห่งผู้สุเหล่านั้น ในข้อนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ก็ถ้าทายกบางคนเข้าไปหาปิสุสีรูปนะครับแล้วมีมนอกชื่อโผชนะทั right, ้งห้าหรือออกว่าพักตาหารไปเในโผชนะไปยนะครับเอชื่อโชนะนอย่างไรอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ด้วยวัยพ่ออย่างในอย่างหนึ่งสามที่มีความหมายว่าโผชนะ่เป็นภาษาบาลีอย่าพักตาโผชนะใช่อันนังโผชนะอะไรพวกนี้ไ วก็โดยเนั้นแหละหรือด้วยภาษาอื่นไม่จำเป็นเปพาภาษาบาลีนะครับภาษาไหนก็แล้วแต่นะที่หมายถึงโชนะก่าอย่างใดอย่างนึ่งนั่นแหละด้วยภาษาอื่นโดยในะเป็นต้นว่าผมขอนิ ม, มนุ่ยข้าวสุกนี่นะขอท่านจงรับข้าวสูก ข, ของประคเถอดเนี่ยจงหวังจงตรวจดูจงต้องรับซึ่งข้าวสุก ข, ของผมนะอันนี้ก็เป็นคําใบ้พจน์ขการมมนี้คนครับนี่ก็ชื่อว่า ออกชิบวัชนาคมนั้นนะอันนี้นะครับก็อสูิสุลามนั้นหายกนนิมนต์รวมกันก็ตาก่างก็เป็นนิมนต์ที่ดีเลยใช่ไหมรวมทั้งอยู่ด้วยกันสี่รูปก้อนนิมนต์เลยนะครับแยงก็ต่างก็ไปนิมนต์สิรากุติแล้วกุติได้นะหรือว่าอย่างตาบ้านร้อเลยถ้าน้องใช่ไครับจะนิมนต์ถ้าสี่รูปมันต้นองไปตั้งสี่วันอะผลบวรรลุบวรรลุบใช่ไหมครับถ้ากรีนนิมนต์แยกนะก็อนชิ้นมนต์ทั้งสี่รูป ไปพร้อมกันนะครับเนี่ยว่านี่มวลวมนี่มวลแยกก็แต่นี่ไม่มีประมาณนะครับต่อไปก็ไปพร้อมกันหรือแยกกันไปเนะไปพร้อมกนว่าไปคุละทีว่าอยู่คุณาวาันเท่าั้นก็แล้วแต่นะครับเล้รับรวมกันเอาตรงรับรวมกันเนี่ยเป็นประมาณผมเขียนว่าเนี่ยมันติดไม่ครับในฉบับถ่ายาเอกสารเขียนว่าอยู่ในระยะประมาณสิบสองศอกของกันและกัน วลาเราประเคนเชื่อว่าเราเรวมกันเวลาที่ยมเรประเคนถวารอาหารนะทั้งสี่รูปเนี่ยก็อยู่ในระยะสิบสองสองสิหกไม่เหมือนกันละกันไม่แถนนี้นะครับอันนี้ชื่อว่ารวมกันถึงจะรับพระองตรงพระองคใช่ไหมแต่ในขณะที่รักบัวอยู่ในนัตสิได้ไหมครับเนี่ยชื่อว่ารบวมกันจากนั้นพอเราประเคนรวมกันแล้วใช่ไหมจากนั้นฉันรวมกันหรือแยกกันฉันก็แล้วแต่นะครับ อันนี้คือถืว่าเป็นคณะโคช น, นะแล้วถือว่าแขนงคณะโคแล้วไม่ใช่สมัยก็ต้อ ง, ไปไปงบปอีกหนึ่สิกขาบทนี้ครับจริงอยู่ <c oughs> การรับประเันเท่านั้นเป็นประมาณในสิกขาบท น, นี้นี่ไงบอกลนะรับประเนันชุดประมาณเลยนะครับถ้าสมงตัวแทนไปก่อนรูน้ร ห, หรือมีปัญหาอีสานอยู่ที่วัดใช่ไหนะครับอันนี้กูสก <ขอ S 2> นใจครับาะบครับ อ๋อมันมีเบับม่เอ็นไรนครั บ, รบเขาก็มาใส่บาสเฉยใช่ไหม ม, มือล็อข้าวเราจะผ่านกันแรกใช่ไหมครับเดิเนไปเดบับมีสี่ลูกแล้วก็นี้วมดอล็อข้าวนะคแค่เขามีทูตสิงเนี่ย พูดคำดีว่านี่มลนับข้างชรบถ้าบอกถ้าพูดถึงข้างหน้าเนี่เห็นข้าเำลงมงวิถบาวนะออแต่ถ้าเข้ามาถึงที่เราเดินไปเนี่ยแล้เวเขาเดินเขมาแางเราหรือปล่าครับว่อนี่มลนับไปแล้วที่เขาอยู่อ๋อบอันนี้เนี่มีตรงนี้เ่าบอกว่า ถ้าเขาถือเอาผ่าปนเปเนที่ดังนั้ น, นแบบนั้อันะ้นี่พูดหรือผ้าปิธาบาลนะผ้าปิธาบาลเมื่อชาวบ้านหล่ลานั้นลำบากนี่หมดให้นั่งฉันพิมฉันเธอถ้าเขาจาบเด็นกนั้นนะ เขาพูดอย่างนี้ทีแก้นีื่องอะนะเนือากไม่สมควรถ้าเขาจัดบางพระที่หอฉันแล้วเที่ยวไปบอกในถนนว่านิมนต์รับพัะที่หอฉันก็รารับไม่สมควรแต่ถ้าเขาถือเอาพระไปในที่นั้นนั้นเรียนว่านิมนต์รับพระเถอดหรือนะครับถือเอาพระไปในที่นั้น น, นนะเห็นเราบิดาบากเข้ามานี่นะครับเอาพระมา แต่ถ้าเอาอาหาวไวที่หอยฉันว่าที่อื่นเน่ะแล้วนิมนต์เราไปรอบเนียนะอันนี้ก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาออกมาอะไรนี่มีสถานที่อะไรเอาออกมาห น, หน้ า, นน า, า, าบ้านขาอาอะไรนะครับ้มนเข้าไปในบ้านรอบออ น, นี่ไม่ได้นะพ่อจิงบอกว่าถ้าเขาเตรียมไว้ที่หอฉันเนี่ยแล้วา้าพเนเดินตามถนนใช่ไหมหรือตามหน้ า, าบ้านแล้วก็นิมนต์เข้าไปชั้ไหนนะครับอันนี้ไม่ถควรแต่ถ้าเขาถืออาไปเอาภาพไปในที่นั้นๆะ แล้วตอนี้บอว่าล็อกคันเถินนะครับหรือมาถบายที่วัดเลยแล้วแต่นะครับแล้วถวายเก็บวิสุผู้มาถึงนี้ถึงแล้ ว, ลวใครแล้วแต่ใช่ไหมมีจะบ่าหน้ามากก็ใส่ก็ใส่ก็เอาอมาเตรียมมาแล้วนะครับพิษานี้ชื่อว่าพิสาที่ท่า น, นำมาจาเพาะยกส่วน เฉพารูปนั้นนะครับรูปที่แด้อานิสงฆ์ท่ก็ไม่โดนนะท่านถือว่าถือว่าสมัยของท่า น, นะครับอันนี้ส์ภาษา อ, ษ า, อษญญ า, นานิสงค์ภาษาินเดียได้ครับเฉพาะรูปที่ไม่ได้ น, นะท่า ก, ก็โดนเองครับถ้าโดนคนเดียวเพราะไม่ไม่อะไรนะพว่วงมาถึงคนอื่นด้วยนะครับเฉพาะคนนะครับถึงาะขณะว่าถ้าพิสูจน์ป่วยรูปหนึ่งเนะท่านได้สมัยที่อย่าฉันได้ใช่ไหมอีสานรูปไม่ป่วยนะะเฉพาะรูปที่ป่วยที่ไม่ต้องอาบัตนะครับอีสานรูปต้องอาบัตนะครับ แน่นอนเป็นขนาดนั้นเลยนะอาจจะเขาออกจริง น, น, นะครัอันนี้นะทิ้งต้องบอกว่านะครับอ่าถ้าพิสุระบุชื่อโัวชนะอันนี้แจะงที่ว่ถึงการขอนะพิสุจะขอเองนี่หมายถึงขอคนที่ไม่ใช่ยาติไม่ใช่ปอนะแล้ออกเอาปากขอเขาเลยนะขอโัชนะด้วยนะครับถ้าพิสุระบุชื่อโัวชนะมีข้าวสุปเป็นต้น รวมกันขอแนะล้วขอรวมเปทีเดียวนะครับหรือแยกเป็นขอเป็นแต่ละองแตละองค์ไปไปพร้อมกันหรือแยกกันไปแต่รับรวมกันแม้อย่างนี้ก็เป็นคณะผู้ชนะเหมือนกันต่างกันแต่เมื่อในจีฬาโยนนี่หมดออกชื่อพันแต่เนี่ยแพ้ขอออกชื่อพันแพ้ขอชื่อผูชนะเองนะก็เหมือนกันออตอนที่รับประกนะันคือประมาณชื่อเป็นคณะโูชนะเหมือนกัน เมื่อรับประเคนคณะผลชนะทั้งสองอย่างนั้นด้วยอาการอย่างนี้ต้องบัตรทุกกฎรับไว้ด้วยตั้งแต่ว่าจะฉันจะมัต้องทุกกฎก่อเมื่อฉันต้องบัตรปลาจิตติและทุกคำเกินบรรดาสมัยที่เป็นไข้เป็นต้องสมัยใดที่สูงไม่สามารถจะเที่ยบินบาบได้เพราะเท้าแต่หมายถึงว่าโดยที่สุดเนี่ยในสมัยที่แจิบี่ว่าโดยที่สุดหมันไม่แต่เท้าแผลเนี่ยก็ชื่อว่าป่วย้วนะ ท่านบนกก่อนี้ก็ได้ชีวะได้สมัยเลยนะครับสมัยนี้ชื่อว่ากี่าลนสมัยสมัยที่ผุ้ไข่5เดือนของพวกวิสุท์ที่ได้การกัติแล้วใช่ไหมแล1ข้าเดือน11ถึงขึ้น15เข้า12ก็คือแล1ค่้าเดือน11ก็คืออะไรหลังวันตัวนาน1วัน่ไครับนั้นเองปถึงขึ้น15เข้า12ถึงวอยกระทง หนึ่งเดือนสุดท้ายของฤดูฝนนี่แหละนะครับของพู้พิสูจน์ที่ไม่ได้การกรัถินท่า น, านอาจาสมพันธ์สาน์นี้ชื่อว่าจีวรทานสมัยเข้าถวายจีวอรอันนี้เขาก็ได้สมัยท่านในการใดเมื่อพิสูจน์กำลังทําจีวรพิสูุนช่วยทํากิจที่ควรทําในจีวอรอย่างใดในหนึ่งเท่ารูปที่ช่วยกันนั้นช่วยํากิจ ท, ที่ควรทําในจีวรแต่รูปไหนที่การแชาดกหรือธรรมบุแสดงธรรมนะครับ รูปนั้นไม่ได้ชื่อว่าช่วยทํานะไจะพ่อรูปเนี่ยท่านพูดไปในที่นี้นะครับไอ้พ่อรูปที่ช่วยทําจริงนะถึงนะครับถึงว่าได้สมัยเวลาในพิสูจน์ต้องการจะเดินทางไกลเครื่องโยกนะแม้ในเครื่องโยกนะถ้าไกลว่านี้ก็ได้อีกแนะนะครับกําลังเดินทางก็ดีนะไปถึงแล้วก็ดีเวลานี้ชื่อว่าอากาศในคำนั้นสมัยขาเดินทางไกล แม้ในคราวขึ้นเรือก็มีในนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยกำลังลงเรือไปก็ดีเรือกำลังนั่นแต่ก็ดีไปถึงที่ไหนก็ดีนะในนี้ถนะ้าอธิบายในขณะว่าตามในที่ยังไม่ขึ้นจากเรือนะครับเืียังคิดว่าไปทางเรืออยู่ก็ยังฉันได้เลนะต่อไปนะครับเวลาในพิสูจนสี่รูปเชทียบินาบาทในละแวก บ, บ้านไม่พอฉันกันเวลานี้ช่วงมหาสมัยทางพิสูจน์มากนะ เพราะวางดีเดียร์หมายพอฉันนะครับอันนี้นได้เวลานั้ น, นบัรบชิตบางรูปเนี่ยทั้นใจขึ้นมาแล้วว่ามนบันทิดในคืนใครมนาพวกศาสทําล็กนะครับพิสุพิสุนีิขำมนาสาเนาสาเนรีพวกนินทร์ถีนะหรือนั่งบุตพวกพวกหนึ่งแล้วแต่นะครับเนียนนนะทํา้ตาาและก็นิมนนะครับพิสุเผื่อทิฐานว่ า, าเป็นความพของสมณะนะสนถรนะครับ เวลาในที่ บ, รรบัญปะชิบางรูปนิมนต์ฉันข้าวนี้ชื่อว่าสมณะผ้าตักสมัยค้าวที่สมณะถวายข้าวที่สุดฉันคณะโคชนะนั้นในเวลาเหล่านี้ก็ควรใครเห็นไหมเวลาที่ผ้าทําพ้าตักแันถวายไม่ค่ยเจอใช่ไหมครับอาจจะมีบางทีผ้าบางรูปเนี่เข้าจะอที่สุบุสมให้แก่อญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะเจอัะจะนบ้างเกิดบางทีใช่หไหม ถ้าแต่เนมเกิด right ้วก็ผ้าใส่บาทนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันได้นเอ๊ทไมผ้ามาใส่บาทแต่ว่าถ้าเป็นผ้านั่นนะท่านซื้อเองด้วยนะครับตอนเทปินตบาทที่กรุงเทพทีหนึ่งช่านก็ซื้ออาหารที่เขาเตรียมไว้ถวายใส่บาทใช่ไหมท่านซื้อแล้วก็ใส่บาทแหละการมาถึงไม่ต้องเทออกแล้วจบของท่านนะครับทีนี้ว่ไม่กล้าปฏิเสธทำน่ารักแต่กลับเป็เราทําแล้วมันไม่ฉันนะครับ นะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนครูทีบอาจารย์บอกก็เลยอาบอกน ะ, <ๆ> ะ, ก น, ะนั่นันมีแต่มื่ที่เข้าอาจจะมีเปลกมีอะไรมาท่านฝังอะไรนี่นะและแสงครับตั้งใจที่สุขุสมให้เตร็นผู้ร่วมร้องยังพี่น้องนี่ก็มีนะอยู่ทั้งต้องการสุขสม ส, ส่วนนี้ <c oughs> <_><_><_><_<_><_>ถ้าเรทำปัสาถานถาวายก็มีได้นะครับเั็ถด้วว่าความภาสมสารนอะเป็นไร อันนี้ในกรณที่เขาเอาหารมาถวายที่วัดนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็ในข้อว่าพ่านทหารที่ที่สาที่เข้ามามันจำเพาะนะครับเอามาถวายที่เลยนะนี่ก็สนได้ครับเหตุเกิดและประเภทบัตรศิขาบุรเมื่อพระนเจ้าปาวคเทวันทัศในเมืองราชคือบัญญัติเวลาขก็เหต <ler> <cito internacional> ุค sure <man> ือการขอโพชนะามาฉันส <Very> <man> ิกขาบุรินทร์มีอนุบัญญัติเลยนะครับคือที่ต่างว่า เว้นไว้แต่คราวเป็นต้องที่ว่าไปแล้วนะเป็นสาธารณปัญญาที่สุนีก็มีนะครับอ่นวนั้นติกาวไม่เกี่ยวกับารใช้ไพ่ฉันนี่ก็โดนเองนะติกาวไปดีนะครับเป็นคณะโูชนะเข้าใจสงสัยสำคัญผิดไปฉันไม่ใช่สมยัยนะต้องมาทบงนั้นนะครับไม่ใช่คนะพูชนะนะแต่ไม่เข้าใจผิดว่าเป็นคนะโูดชนะ หรือมีความสงสัยนี่ยังต้องบังก่อนอนาบัณฑ์นะครับไม่ใช่คณะโัวชนะต้องมีข้อนี้นะแต่เข้าใจว่าไม่ต้องมีคำว่าแต่นะไม่ใช่คณะโัวชนะอะไรเข้าใจว่าไม่ใช่คณะโัวชนะก็ดีอันนี้ก็ไม่ต้องบังกันแล้วเพไม่ใช่ครับพีสู่สองสามรูปนับรวมกันก็ดีไม่ถึงสี่นั้นไม่ครบข้าหน้าษามเนี่ยได้นไถ้าสี่ขึ้นไปยี่ไม่ได้ เพื่อจานวนมากเขียบบินดาบะแล้วฉันวงกันก็ดีอันนี้ไม่เป็นไรไม่นด้ไปเล่าในมลของโยมที่ไหนใช่ไหมบางทีลูกเขาไม่เข้าใจเนี่ยฉันเป็นวงไอเราฉันคณะพ่อหรือเปล่าไม่ได้ฟังใหม่ก็สงสัยนะบางวันนะใคยังไม่ศึกษาให้ดีนะครับอันนี้มันเป็นไรนะบินบาบนั่งร้องวงฉันเนี่ยชื่อว่าฉันคณะพ่อไม่ใช่นะครับแต่ถึงอย่างนี้นะที่อธิบาย ที่สุขฉันาหาที่เขาถวายประจเป็นต้นกด็ดีพวกนีติยพันธน์ครับผู้ถือติยพันธ์้าที่ก็ถวายประจำแล้วนี่มพสี่รูปห้ารูปแล้วแต่แล้วแต่สถานช่อผ้าเนี่ยอื่นตนะลอดประจำหนนีได้แค่นี้ติยพันธ์เลยหรอผ้าที่เขาถวายตังสลานะนี่พูดก่อนเกาแต่ิณฑบาตอนทนนี่ได้ผ้าที่ถวายในปากวันที่สี่สิบห้าเข้ามาถวายใช่ไหม พา้า้นตอถวายในวันดนวงวัวสดผ้าเล็ผ้าใหญ่วัวสดแต่ทั้ง45ข่ 15, ข่มเข้าถวายอันนี้น่าเนาอะผ้ า, าที่เข้าถวายในวันปาฏิบด์คือวันขึ้นหรือวันแรงหนึ่งค่ำนะวันแรกของค่ำใช่ไหมทั้งทั้งแรงก็แล้วแต่เนี่นันชร่อกวันปาฏิบด์เหมือนเราเนี่ยครับแล้วก็ให้ดิเวนโคชนา5ย ที่สูตรชนะหะประเภทที่เหลือทั้งหมดก็ดีแล้วก็ได้นะครับชั้นที่ไม่ใช่โพชนะทะเนี้ยนะนะคัขนมบางอย่างนะครั บ, ข น, บ, ญญนรบขนมพวกแป้งที่เข้าไปปิ้งไปทอดอเงี้ยนะก็ได้นะครับไม่ใช่ขนมชนะหะถือว่าแล้งคนเคี้ยวนะว่าผละมะม่าง้างม้านี่ได้นมก็ยังได้นะคที่สูบบ้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบบอองอาบบอสิขามปุน่นี่องสามเหล่านี้คือหนึ่ง เป็นคณะโคชนะนะครับสองไม่ใช่คราวที่จะฉันได้ไม่ใช่สมัยทั้งเจ็ดข้อนะครับสามกินกินแลอวก็องก็ต้องหมดไปดิมในสิกาบทนี้นะครับสมุทฐานเป็นต้นเหมือนกับในเอลกาโนมัสิกาบทนั่นแหละทจิตการาจิตแล้วก็การจิตนะครับจบการอธิบายคณะโคชนะสิกาบทต่อ ถึงจะเจอเนี่ยร้าพูดถึงที่วัดทีโมคนนีพถูคถือว่าท่านที่ท่าน้มันจาพ่อเลยครับถือว่าใช้ได้พยมคว่าพระเก่าพร่พระานาันี่ข่าได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนคำอะไรนะถือว่าใช้ได้ครับเขาก็จักว่าคำตรเนียนะตอนงานสัมมนาปีหนึ่งอาจารย์พยอนแล้วก็ อราเดินคู <imprisoned> anyway, ่ก so ันครับไหนก็ได้เข้าใจว่าอ๋อมีอะไรได้เลยเนี่ยงนี้ที่วัดเขาไี่เนูเจะสุกแิแล้ะท่านไหม่เป็นหมวดสีหมวดสี่ห้าหมวดทรานหมวดสี่ห้าหมวดท่านพูดถึงนะครับหมวดสี่หมวดแรกก่อนขาอว่าคนบางคนในรอกนี้ นิมนต์พิสุสีรูปว่านิมนต์ท่านลับพระของชื่อพรนอะไรเนีในพิสุสีรูปนั้นเราไปใส่รูปไม่ไปหนะึ่งรูปนะครับไม่ยอมไปเพราบบนนะท่านรู้เนี่ยไส่ของสีมาบดใช่ไหมอุบาลสก็ถมว่าท่านขาลับถ้านเห็นหน้ารูปหนึ่งไปไหนพิสุก็ตอบว่าไม่มาอุบาสบอุบาสกเลยนิมนต์พิสุอยู่บางรูปนะครับซึ่งมาถึงเข้าในขณะนั้นนะ แต่รูปที่เขานิมนเนี่ยเขาไม่ได้ออกชื่อพันเห็นท่าเลแต่บก็นิมนต์นิมนต์นิมนต์กุจเข้ามา <c oughs> นมนอะไรครับเนี่ยพรสียังไม่ได้ออกชื่อพันนะให้เขานั่งร่วมแล้วนะว่านิมนต์ท่านมาเถิดขรับเนี่ยเขานิมนต์แ่นี้ครับแล้วถวายพันเกศวยสุทโธสีตู้ไม่เป็นอาบั่นเกศวิสุแม่ทั้งหมดนะครั บ, พพราบาพเพนะราอะไรเพราะวิสุาาคณะปูรักก็รูปที่ทาให้ครบคหน้านะเขาไม่ น, นะามาไนิมนต์ออกชื่อพัน นีได้จริงอยู่ในพิสุทธ์สี่รูปนะั้นพิสุทธสารูปเท่านั้นเขานิมนต์ออกชื่อพันนะได้รับประเคนแล้วคณะยังไม่ครบดพิสุทธสารูปนะั้นแม่รูปที่ครบคณะเขาไม่ได้นิมนต์ออกชื่อพันนะครับขณะจึงแย่ ก, กันเพราะพิสุทธิ์นั้น น, นี่ก็เลยไม่ต่ออันบันตอันที่สองนะครับอะไรเนี่ยมีพิสุทธ์เทียมบินดารเป็นรูปที่สี่นะในเวลานิมนต์มีพิสุทธิ์ถือบินดารเป็นมั่นรูปหนึ่ง ท่านจึงไม่รับนิมนต์เพราะว่าท่านถือบิดาบัตเป็นวัดนะครับแต่ในเวลาจะไปนะ่ะผู้พิสูจนสามลูปเหลือใช่ไหมที่รันบนิมนต์ก็กล่าวว่านิมนต์ท่านมาเถิดครับแล้วาพาวิสูจนนั้นแม้ผู้ไม่ไปแม้ผู้ไม่ไปเพราะไม่รับนิมนต์ไปด้วยกล่าวว่ามาเถิดท่านจะได้ทิษาพระมิดาบัตเป็นวัดท่งเข้าไปด้วยสายใจว่ามิดาบัต น, นะเพราะว่าสารูปนะ่ะเขาชวนไป อันเนี้ยามาทางนี้นัาม า, า, าที่บ้านนั่นจะได้อาหารให้ก็ไปนะครับด้วยตั้งใจบิณฑบาตแหละพิสุจน์นั้นทนาคณะให้แย่การคอสนั้นจไม่เป็นอาบัติพิสุจทั้งหมดะครับผู้ที่สามด้วยบิณฑบาตตามธรรมดาผิตู้สีนะอีกอันหนึ่งครับรับนิมนต์ใช่ไหมอ่ า, ร, ารับพระแามีสมณีหนึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องอาบัตรา แ, แล้วก็เรียงได้เนี่ยอ้าวพระพระแกศามัมนก็เนีหนึ่งครับอีกอันหนึ่งครับ ปัจจัยตุกรมีบาทเป็นที่สี่ภิกษุรูปหนึ่งไม่ไปเองส่งบาทไปเขาไปแค่าสาลรนะภิกษุไม่ไปส่งบาทไปนะครับแม้ด้วยอาการอย่างนี้คณะก็แย่นนี้ก็ไม่ต้องอาบาัติแล้สุดท้ายนี่นะครับมีภิกษุปวยเป็นที่สี่พวกภิกษุเหล่านี้มลรวมกับภิกษุอาพาธในภิกษุสีส่รูปนั้นภิกษุอาพาธคนนั้นไม่เป็นอาบัตินะนะครับแต่เธอเป็นคณะนั่นภูริกะของภิกษุนอกนีหนะ้า คณะจึงครบนะคณะจึงไม่แยกพ่อวิสุอาภาเลยเพราะฉะนั้นนะวิสุเหล่านั้นกาแท้จึงเป็นอาบัตกววิสุเหล่านั้นแท้ถ้าถ้าไม่เป็นพราะเได้สมัยใช่ไหมเจดางที่เหลือเป็นพวกไม่ได้สมัยเนะได้สมัยแต่ว่าเป็นคณะภูรกะครบคณะนะ้ะ็เลยเป็นอาบาาัติกสารุ่ที่เหลี่ยนี่รูปเสร็จแค่นี้ก็แล้กันต่อ เช็นโยมที่มนเป็นสีรูปพระมัครูปเดียวก็ถือ่าได้ถือว่ายังเป็นคณะผู้นั้นถ้ารถปที่เหลืออยู่ในรัศมีของไม่สองสองถืเป็นคณะพู้